เรเรียกว่าพละทั้งห้าพละก็คือกำลังหมายความว่าธรรมะปฏิบัติที่เราปฏิบัติจะต้องเพิ่มพูนให้เกิดเป็นกำลังกำลังชั้นแรกก็คือกำลังในการขาจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามกับตนออกไป ได้กำลังในการคุ้มครองตนรักษาตนจนถึงมีกำลังที่จะดึงดูดเอากุศลและธรรมเหล่าอื่นมาเพิ่มพูนจนสามารถทำงานที่กระจายออกไปถึงบุคคลอื่นได้ก็ถือว่าเป็นฐานในการปฏิบัติธรรม ประการแรกก็คือเรื่องของศรัทธาตอนนี้ว่าศรัทธาภละความเชื่อเหมือนกันถึงตรงในชุดแรกนะฮะเริ่มต้นในตรงในชุดแรกพระาอาจารย์ท่านบอกว่าผู้เจ้าทรงสแสดงภละอย่างต่ํากับภละอย่างสูงมาความมาสามข้อที่พูดวันก่อนโน้นนะฮะเจห้าข้อที่พูดวันก่อนโน้น ถือว่าเป็นพระละอย่างต่ำแต่ห้าข้อที่จะกล่าวนี้ถือว่าเป็นพระละอย่างสูงที่จริงก็มีองค์ธรรมซ้ำอยู่ในองค์ธรรมที่ซ้านั้นไม่ต้องไปติดใจนะฮะว่าพราะธรรมะที่จริงที่เรว่าโดยโดยเนื้อหามันก็มีไม่กี่ข้อนะแต่ที่เรียนอภิธรรม คงนึกออกว่าเราเรียนไปเรียนมามันมีเจตรสริกธรรมอยู่เพียงห้าสิบสองข้อแต่นั้นเองแล้วตรงนั้นที่จริงรวมทั้งกุศลอกุศลและทั้งที่เป็นกลางกลางก็รวมได้แค่ห้าสิบสองวันเวลแตกกิ่งก้านสาข า, าไปมันก็แตกไปจากห้าสิบสองยิงห้าบสองนะั้มันก็แตกแล้วนะฮะแตกไปแล้วเป็นกิ่งก้านสาขาอยู่แล้วมันก็แตกกันได้ไปเรื่อย ตนนองคลายๆกับต้นไม้ต้นหนึงกิ่งเยอะแล้วก็มาจากต้นเดียวสว่าจะเป็นการพูดในแนวปริยายแต่ในแนวของการปฏิบัตินั้นเราจะเห็นว่าพวกศรัทธากับปัญญาเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยเดีย๋ยวต้องมีเพราะถ้าขาดไปข้อใดข้อหนึ่งก็จะมีปัญหาในภาคปฏิบัติก็ทรงแสดงถึงศรัทธาที่มั่นคงว่า เป็นศรัทธาในเรื่องอะไรอันนี้เราพบป่อยนะคคือศรัทธาในเรื่องของพระคุณพระพุทธเจ้าคือในพุทธคุลแต่ต้องต้องเปศรัทธาที่เชื่อมั่นจริงๆเก็ จ, จะเห็นว่าปัญหาใหญ่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนรุ่นรุ่นใหม่นะเกิตัวเองเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกําหนดความเชื่อหรือไม่เชื่อ อย่างว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปคล่องใจพระพุทธเจ้าเรื่องเดินด้วยประบาทได้เจดเก้านี่มากมายเลยเกินแนว น, นี้ถ้าเราศึกษาเอกสารเนี่ยจะพบว่ามันมีประมาณสักร้อยปีมาแล้วพบเอกสารแนวเนี้ยเวทังประเด็นข้องใจสงสัยในการประสูติแล้วเดินด้วยประบาทได้เจ็ดเก้าว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าถามว่าใครเป็นไปไม่ได้ที่จริงเรานะเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้า คือความคิดนั้นเราเองเป็นฐานพระเจานั้นท่านเป็นบุคคลวิสามันเราคิดดเหตุผลสามัญไม่ได้แต่ละยางนั้นจึงมาเป็นเงื่อนไขปัจจัยอกันอะรกันหมายความเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีงมงงมแต่ถ้ามันขาดไปจากอย่างเนี่ยตอนปลายมันไม่มีนั้นคือลักษณะโดย เ, เป็นคุณสมบัติพิเศษ ตีมันพัฒนาขึ้นไปโดยลำดับแต่ประเด็นที่ควรจะมองว่าเราเชื่อกับเราไม่เชื่อเราสงสัยนะฮะเราเชื่อเราสงสัยเราไม่เชื่อเนี่ยอะไรมันได้ประโยชน์มากกว่าในเมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อมันก็ปิดประตูขังตัวเองแต่เราสงสัยเมื่อเกิดอาการชะงักคือไม่เดินนะฮะไม่เดินไปข้างหน้า แต่ถ้าเราทุ่มเทลงไปเป็นความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าก็จบสิ้นกันคืนคอมอบหมายความไว้วางใจทั้งปวงแด่แ่พระพุทธเจ้าใกล้าขึ้นนอนบนเตียงผ่าตัดนะฮะมอบหมายความไว้วางใจแก่หมอเราก็ไม่รู้อะไรนะฮะเพื่อนฉีดยาสลบด้วยทํายังไงก็สร้างกอมอบหมายความไว้วางใจแก่เขาแต่ในจุดเนี้ย่สมมติเราเกิดไม่เชื่อหรือเกิดสงสัยเนี่ย ในขณะที่เรามีโรคอยู่ไม่เชื่อหมอไม่เชื่อผลจากการผ่าตัดหรือว่าสงสัยว่าจะผ่าดีหรือไม่ผ่าดีอย่างเงี้ยลังเลไปลังเลมาก็ก็ตายพอดีเพราะความเชื่อในพระพุทธคุณจึงถือว่าเป็นหลักแต่ ว, ว่ากำลังในการขาจัดเนี่ยมันจะ ต, ต้องมีกำลังก็มาเรื่อยๆก็คล้ายๆกับคนล้มแล้วก็ค่อยลุกนะฮะ ความว่ามันก็มีค่อยๆลุกขึ้นมาโดยลำดับจนถึงก็ยืนจัดตัวตัวเองแล้วก็เดิน<ม>นะเดินแล้วอาจจะถึงกวิ่งอาจจะยกของอะไรแต่ไหนเนี่ยมันก็ว่ากันโดยลาดับเพราะในแนวของการขจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามในช่วงแรก <c oughs> ก็คือขจัดความไม่เชื่อในพระพุทธคุณออกไป คือบางอย่างเราก็ไม่มีปัญญาอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่เราก็ใช้ศรัทธาจะถึงจุดหนึ่งนั้นขจัดวิจิกิิชาคือความเครอบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในประพทุกคุณแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็แสดงว่ามันเริ่มทรงตัวได้เนี่ยแต่การขาจัดต่อไปก็คือที่จริงแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมคนระัก็คือการขาจัดกิเลสประเภทโลภะ มันไม่ใช่ขจัดหมดหรอกแต่หมายความก็ลดลงไปได้คือหมายความเราสามารถสละให้บริจาคแนวทาง น, นะฮะเราจะเห็นว่าแนวทางในบริจาคแนวสงเคราะห์นี่แสดงว่าอะไระแสดงเราเชื่อในผลของทานของศีลไม่ไปขจัดอะไรขจัดความเห็นที่เป็นวิจารณิติว่าถือว่าการให้ทานไม่มีผลการวิจารต่างๆไม่มีผลวิติกรรมต่างๆไม่มีผล พอสถานเรามีกําลังเราขาจัดตรงนี้ได้เราก็ทําทานได้แต่สงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นได้คือหมายความว่าคจัดโลภะลงไปได้ระดับหนึงแล้วต่อไปคือคัจัดโทสะคัจัดมัจฉริยะได้ก็ไม่ถึงก็หมดหรอกเพราะจริงๆมันมีลักษณะเป็นบันไดอะมันไต่ายกันไปเรื่อยๆแต่ว่าจิตจะเป็นอิสระจากโลภะในบางระดับ โทสะในบางระดับเสนีในบางระดับหมายความมาเราก็ให้ได้ในบางเรื่องหรืออดกลัน้นอดทนได้ในบางเรื่องหรือว่าขาจัดความเสนีได้ในบางเรื่องแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามาถือว่าก็มีการทรงตัวได้ก็ทรงแสดงว่าจะเห็นตัวสัทธาภละที่ไหนไปดูที่ไหน ที่จิมก็ดูที่ใจเราแต่ว่าเกณฑ์มาตรฐานในการดูนี่ดูตรงไหนส่งแสดงว่าดูที่โสตาปัติยังขั้นมาความมาคุณสมบัติที่ทําบุคคลให้เป็นประสูตรบัญญัตก็ได้แก่ยศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในสี่เรื่องมันทยอยกันมาเองนะฮะคือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไรสิขาสียา ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้วมันมาจากพระพุทธเจ้าคือถ้าเราไม่หนักแน่นในพระพุทธเจ้าเราก็แกวง้งนะพระธรรมเราก็แกวง้งพระสงฆ์ก็แกวง้งเสยศิขาก็แกวง้งเตยศิขาที่จริงก็คือพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราเราไม่ได้มองที่ตัวคนนะแต่ว่าเกณฑ์นในการมองที่จริงเรามองที่พระอริยสงฆ์เพราะสังฆรัตนนั้นก็คือ ตั้งแต่ระดับปรจจุบันขึ้นไปที่เราพูดอาศายหาบุชาวาสังกัตนาเกินขึ้นหมายความว่าพรันยากกนัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นปัจจุบันเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในท่านเดียวทีนี้มันรู้ได้อย่างไงบางบางทีเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในใจเราหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่า ที่ท่านบอกว่าอุกเทศสูรมิชนติในภาวะที่วิกฤตเนี่ยต้องการจิตที่กล้าหาญแต่ว่าบางทีมันไม่มีวิกฤตอ่ะรืเราก็ไม่รู้ว่า ใ, ใจเราเป็นยังไงเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นขนาดไหนในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ทุกขูจะฆ่า ให้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าหรือทำลายพระพุทธรูปหรยอมไหมภาพตัวนี้เราจะเห็นนะฮะว่าศาสนาบางศา ส, สนาที่ทำยมภาคเหนือภาอีสานเนี่ยเนี่ยมื่อเราทดสอบคนเนี่ยเอาลากพระพุทธรูปลากพระพุทธรูปแล้วบงทีก็ทุบพระพุทธรูปที่เกิดเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนั้นแสดงว่าคนของเราที่จริงไม่ศรัทธาจริงเพียงแต่ถูกขู่หรือว่าไม่ยอมให้ประโยชน์ ซื้อบงทีจ้างจ้างให้ทำา้ตั้งหลาจะสังเกตได้ว่าการตัดเสียงพระพุทธรูปเนี่ยมันเกิดในยุคสงครามเวียดนามมันก็พิสูจน์น้ำใจชาวพุทธได้เยอะเลยว่าที่ไหว้กราบพระพุทธรูปอยู่เนี่ยวันดีคืนดีก็ตัดเสียงพระพุทธรูปไปขายฝรั่งได้บางคนเนี่ยนะ เกี่วกัความว่าสัทธาจริงๆก็ไม่มั่นคงและบางทีนะฮะเราจะเห็นว่าไหายพระพุทธรูปเป็นองค์แล้วแสดงว่าสัทธายังไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้าต้องเดินทางไปกราบหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อจินนาราชนะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพระศัยอะไรต่ออะไรเนี่ยที่จริงในแง่จริงๆแล้วรพูพรูปคือปฏิมาแต่นั่นเอง มีองค์เดียวในโลกนั่นนับจะวางอย่างสักเท่าไร่ก็ตามที่ริงปฏิมาองค์เดียวคือปฏิมาของพระพุทธเจ้าแล้วจนว่ามองเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระุเจ้าเราไม่ติดใจว่าปลุกเสกหรือไม่ปลุกเสกมีคนปุถุชนไม่ปลุกเสกพระพุทธเจ้าได้อย่างไงแต่แนั้นคือปฏิมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไปรูปเปรียบพระพุทธเจ้า เรากราบไหว้สดิตใจโดยอาศัยเป็นสื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วไปแสดงในรูปของคารวตราหรือความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้คิดเนะีเป็นพระอานนทเทระเนี่ยในพระพระรูปปางปาริยกะที่มีช้างกะลิงนะฮะ พระนนท่านเข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าขนาดว่าที่ก็ที่จริงก็ก้อนหินนะฮะมันแท่งหินแต่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระนรนไม่ยอมวางของอะไรบนตรงนั้น น, ะนั่นคือเคารพแม้แต่ไหนสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไม่นั่งทับในที่นั่งไม่นอนทับในที่นอนนะฮะเรืองข้าวไปแล้วก็ไม่ไปเหยียดเท้าไม่ส่งเสียงดังนะแต่เนี่ยนะครับมากักก็ ก, ก็นั่นเป็นเป็นการพิสูจน์ยืนยันเรื่งความเคารพหนักแน่นเรียกเป็นโสตาปฏิยังฆะบางทีเขาล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่ยอมแกวง่งอย่างที่เคยเล่าเรื่องสุปพุท ธ, ธกุติ ท, ทาส ก, กะต้องการทดสอบดูจิตใจของแกเนี่ยเอาเงินมาเป็นเล่มเกวียนเลยมาให้เพื่อแกปฏิเสธหรือพระเจ้าประทัประสงค์แต่ก็ไม่ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกของคนท่าจิตใจมั่นคงระดับนี้ท่านเรียกว่าโสดาปฏิมักมีค่ามากกว่าสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิจะใหญ่โตยังไงก็ตามท่านก็ตาย สมบัติทั้งหลายท่านก็ใช้ได้สาธิ่ันใช้ได้พอท่านตายแล้วท่านก็ชิงแต่ว่าคุณคือโสดาปฏิผลที่เกิดขึ้นภายในใจเนี่ยมันไม่มีความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นคุณภาพทางจิต ท, ที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีแต่สูงขึ้นไม่มีการลดละสมบัติสมบัติพ ร, ตระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่แน่และพระเจ้าจากาักรพรรดิตายแล้วตกนรกเลยก็ได้แต่ว่าโสดาบัต น, นั้นปิดประตูอาบายได้ เพาตรงนี้มันก็อยู่ที่ศรัท ธ, ธาที่มั่นคงไม่วันไหวคือคจัดได้อย่างอย่างมากเป็นพิเศษนะครับคือไม่ถึงกับหมดหรอที่จึงระโสดาบันท่านก็ไม่ได้ละกิเลสได้หมดอะไรเพียงแต่ว่าระดับศีลท่านมั่นคงคือไม่แบ่งที่ระดับศีลสมาธิปัญญานั้นก็มีได้พอประมาณ นี่คือสถาพระมันก็ดูระดับนี้แน่นอนเมื่อเรายังไม่เป็นประสบกาบันเราก็ไม่เข้าเกณฑ์ตรงนั้นแต่ว่าทำอย่างไงละ่ะจิตใจจะไม่แกว่งจะต้องมีกรณีของคำสอนที่เป็นพระพุทธวจนะแต่กับคำพูดจะเป็นของใครก็ตามมักปราดอะไรก็ตามเราจะให้น้าหนัก ของใครมากกว่ากันแต่เรายังแกลงเอท่านตรงนี้ก็ว่าคามเหมือนกันนะั่นนะคือถ้าสอดครองกันไม่แปลกอะไรแล้วเพราะความสละดสรวยทางภาษาที่จริงภาษาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาบาลีือถ้าเราไม่ศึกษาผานลภาษาบาลีจริงๆมาอัทธรสเราไม่ซึ้งนะฮะ ภาษาไทยเราอาจจะซึ้งดีกว่าแต่เนื้อหาสอดคล้องกันไม่แปลกเราซึ้งในภาษาอะไรก็ตามแต่ถ้าเนื้อหาที่ขัดแย้งกันเนี่ยเราไปเห็นความสำคัญของนักปราตของคนอื่นเหนือกว่าพระพุทธเจ้าน่ก็ถือว่าศรัทธาอย่างง่อนแงนอย่าไม่มั่นคงประการต่อไปก็คือวุรยภพละ จะถามว่าเห็นวิริยะที่ไหนนะะทรงสอนให้มองดูว่าเห็นที่ไหนแล้วก็ดูที่สมัมาประธานแต่บอกว่าให้เห็นที่สมัมาประธานคือดูที่สมัมาประธานหมายความลงมีตรงนี้อยู่ภายในใจหรือเปล่าสมัมมาประธานก็คือความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่มีเท่าเนี้ยนะฮะพู้สละไหลก็ะทันนั้นะเนนยนตะเคยบอกว่าเป็นคำสอนประเภทนิปริยาย หมายความมาพูดทีไหนก็เป็นอย่างนี้ทุกทีคือมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่จะว่ายอย่างไงนะฮะเช่นที่เราสวดชาติปีตุขาเจราปีตุขามน้ำปีงงตุขังเนี่ยทำอย่างไรกาตลความเกิดเป็นทุกข์เราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์อีกอกีก่กับกีบ่การมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีแค่เนี้ยนะฮะเกิดแก่ตายนะมีแค่เนี้ยม่จะว่ายอย่างไงก็ซ้ําๆอย่างเงี้ย บางบางทีเนี่ยมีคนเขามายอมเข้าวัดเปิ่อพระพูดเรื่องเรารู้แล้วทั้งนั้นก็จริจริงก็รู้นะะแต่ไม่รู้อะรู้แต่ไม่รู้เพราะอะไรก็เรารู้อย่างนั้นแต่เราก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ยังยังเศร้าโศกยังในอารมณ์เป็นตีตั้งแห่งความเศร้าโศกอยู่ก็แสดงว่ารู้ไม่จริง การพูดการย้ำการเตือนการสวดสาธยายการปรีนิพิจารการไปฝารปรกเพื่อเกิดรู้จริงมากควา ม, ม่ารู้แล้วก็ละกิเลสที่ทรงกันข้ามกับธรรมะที่เราบอกว่ารู้ออกไปได้เป็นอย่างน้อยนะฮะพรนวิริยะนั้นก็คือความเพียรเร็ว่าความกล้าหาญ ในตอนแรกจะต้องขจัดสิ่งที่เราเรียกว่าโกสัจฉะบางอย่างเรียกมหาโกสัจฉะที่โกสัจฉะแปลว่าความความเกียดคร้านมันดูง่ายๆนะเกียดคร้านที่ทรงแสดงรูปว่าใบยมุกมันดูง่ายอ่างเข้าสายบ่ายเย็นหิวนักกระหายนักเย็นแล้วเช้าอยู่อะไรแต่อะไรเนี่ยสายแล้วอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ทําการงานพวกนี้มันก็ดูง่ายนะว่า ก็ทรงสั่งสอนวกคนที่มีความหมั่นขยันเนี่ยมันไม่ไปเให้ความสําคัญแก่สิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเราอ้างแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสทํางานนะฮะเวลามันก็อย่างนั้นเนี่ยนะไม่เช้าก็สายไม่สายก็บ่ายไม่บ่ายตัวเย็นนะ่ะจะทําไงไอ้อ้างตอนไหนเอาคำแล้วคําแล้วก็ไม่ได้ทำงานนะอร่างกายขอเราไม่หิวก็กระหายมันต้องมียไม่หิวก็กระหาย แต่ถ้าเราอ้างหิวกระหายไปเงื่อนไขในการไปทำงานมันก็ไม่ต้องทำเหมือนกันทำงานไปหน่อยอย่างน้อยกระกระหายน้ำนะก็หยุดหยุดหมดตกลงว่าไม่ให้ความสาคัญแก่สิ่งเดียวนั้นแล้วก็จัดความเกียดคร้านระดับที่เรียกว่ามหมาโกสชะค่อนข้างเป็นมารยาค่อนข้างเป็นเสแส้งนะฮะค่อนข้างเป็นเจ้าเล่ห์นิดหน่อย หมายความว่าเมืที่จริงมันก็มีเวลานะฮะแต่อ้างไม่มีเวลาในปัจจุบันเราก็อ้างอางรถติดนี่ฮะดีมากแต่ก็อ้างไม่มีเวลารถติดก็ช่ว ย, วยแก้ไขสถานาการณ์ได้ทุกเรื่องแล้วดูเหมือนคนกรุงเทพนิยมกันหมดบางทีก็ไม่ได้คำนวณเวลานะฮะสมมติเราจะไปที่เมืองชนแล้วก็ไปออกจากนี้อีกชั่วโมงหนึ่งจะถึงเมืองชนไอ อีกชั่วโมงหนึ่งจะถึงเวลากําหนดหมายนั่นก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้แต่ก็ใช้รถติดเข้ามาช่วยทีนี้ส ม, มัปปทานเนี่ยท่านท่านหลายจิตเห็นว่าในคําว่าส ม, มัปปทานแปลว่าความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานพร้อมกันนะครับความเพียรในการป้องกันปะ อนความว่าจะต้องใช้ปัญญาพินิพจน์นาถึงสิ่งที่เป็นบาปแล้วก็พยายามป้องกันในการป้องกันในทรงใช้คําเหมือนกันตลอดตั้งแต่ปฐมเทศนาไปเลยนะครสี่สิบห้าปีแล้วก็ต่อมามก็เหมือนกันนะ่ทรงใช้คำว่าฉันดังชเนติปลูกฝังความพอใจให้เกิดขึ้นวาญมติแล้วใช้ความพยายาิยางอารัปติความเพียรต้องต่อเนื่องนะต้องต่อไปไเรื่อย ต่อไปเลยต่อไปจนกว่าจะสามารถป้องกันได้เด็ดขาดเราป้องกันได้ไว้ในดับใดก็จิตตั้งบระการหตทิไปประคองจิตรักษาคุณภาพจิตไว้ในจนุดนั้นเจ็ดตรงนี้เราเร า, เราไม่อ่อนไหวอะ่ะเพื่อนชวนไปดูหนังไปเชี่ยวไปสู่ปุรหิหีไปดื่มเหล้าอะไรแต่ใดเนี่ยฮะหมายความว่าเราไม่แตะต้องก็คือไม่แตะต้อง ไปไปตามลําดับเพิ่มความแข็งแกรงไปตามลําดับรลคายๆกระปักหลักแล้วลองเขย่าดูปักหลักแล้วเขย่าดูปักหลักแล้วเขย่าดูาก็ปักไปเรื่อยเขย่าดูเรื่อยๆนะถ้ายัางถ้ายัางโยกได้แล้วก็ยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนัสส้นจริงๆเราก็มีการทดสอบทำนะอาหารเราก็ชิมชิมดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รดกลมกล่มกลอมตามที่เราต้องการ การแสดงการทดสอบเนี่ยที่จริงมันมั น, ม, นมันเป็นปกติจิตเองก็ต้องผ่านการทดสอบบ่ามันต้านทานอารมณ์ระดับนี้ได้หรือไม่ต้านทานได้ก็ต้องรักษาคุณภาพจิตตรงนั้นไวให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันก็พยายามต่อไปเพราะเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ระดับนั้นเสมอไประการต่อไปเป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพจิตของเราเอง ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะตามปกติแล้วเราไม่ค่อยมองเห็นโทษของตนเองแต่จุดนี้ให้มองเห็นโทษภายในใจตัวเองอะไรเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรเคยสร้างปัญหาให้มีความกดกรุ้มวิตกกังวลที่ก็สร้างความแตกแยกอะไรนก็ต้องมีการตรวจสอบดู แล้วก็พยายามที่จะลดละเพราะว่าแนวแนวนี้ต้องใช้คาเหมือนกันดีกันนะฮะจันดังชฉเนติสร้างความพอใจในการละกิเลสล ะ, ละความชั่วไปในใจเกิดขึ้นวายามติใช้ความพยายามวิริยังอารัพหติกระทำความเพียรที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆและจิตตังปังกันหติละได้เทไรรักษาคุณภาพจิตไปอารมณ์ขนาดนี้ไม่โกรธเรื่องขนาดนี้ไม่โกรธ ก็คือไม่โกรธก็ต้องพยายามรักษาไวนะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นลักษณะของลมเพลลมพัดสาวันดีสี่วันไรไม่รู้จะเอายังไงปลูกกันไม่เคยรู้เรื่องฝึกไปเรื่อยนะฝึกไปเรื่อยตำนองการขัดเกลียผาชนะการถูผาชนะการซักผ้าการถูพื้นสะอาดไปเรื่อย ไม่ใช่พูดพลาดทําได้นะฮะก็ทําไปเรื่อยเรืยพราะแนวขัดพระชนะทองเหลืองนี่ไปเห็นได้ชัดมากเพราะว่าพระเองท่านก็เช็ดบาทนะฮะพระก็เช็ดบาทไปเรื่อยเรยแต่เป็นกิ จ, จวัตรอย่างหนึ่งก็คือการเช็ดบาทแล้วก็พระชนะทองเหลืองพาชนะอะไรไปในวัดมันก็มีนะฮะเราก็ดูได้ง่ายว่าเราขัดเราถูเราก็ดูไปเรื่อยเรยบางทีก็ดูละเอียดยังไม่เรียบร้อยก็ขัดไปเรื่อย แต่ทุกครั้งที่ขัดเนี่ยจริงๆมันก็มีการลด น, นะนะหมายความว่าสิ่งสกปรกมันก็ลดลดลงไปเวลานี้ได้ใช้กรรมลดละนะครับลดลงไปถึงจุดหนึ่งอ้าวแข็งแกร่กงพอจิตใจแข็งแกร่กงพอก็ละได้ก็พยายามไปเรื่อยๆเราสามารถลดละได้ระดับในรักษาคุณภาพจิตไวนะ้นระรับ ท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรามันค่อนข้างทับทวีและก็ค่อนค่อนข้างมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงก็ยังนึกนะฮะว่ามันจะแก้ไหวหรือเปล่าแต่ก็ต้องทำมานะ ยิ่งแต่ว่าแต่ละคนนั้นใช้ความพยายามพัฒนาตัวเองให้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีกำลังมีความสามารถอะไรก็ช่วยเหลือสังคมกันมากยิ่งขึ้นเพราะสะภาพแวดล้อมปัญหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นพิษปลุกร่าอารมณ์คนรุนแรงแต่ถ้าเราจัดอะไรขึ้นเนี่ยนะ ก็มีคนสนใจที่จะเข้าศึกษาประพฤติปฏิปัติในที่บางแห่งแม้แต่เก็บเงินนะคนก็เข้าก็ไปร่วมในกิจกรรมแบบนั้นอย่างเคยไปเป็นประธานแจกกุศิบัติในที่หนึ่งหลายแห่งหลายครั้งไงนะเอาไปบรรยายธรรมะให้เขาระดับก็ไม่น่าเชื่อได้เก็บตั้งสามสี่หมื่น เก็บตั้งสามสิบเลยประมาณความมาจัดกิจกรรมนี้ทีหนึ่งเจ้าของกิจกรรมได้ประมาณ3ามสี่ล้านนะนะมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยคนแล้วก็รอบนึงประมาณปีหนึ่งเนะี่ยก็ห้ารอบไม่ใหญ่สามชุดแต่ไม่ใช่เบาแต่เนื้อหาวิชาที่จริงก็มีลักษณะของธรรมะ แสดงว่าคนมีความสนใจมีความตั้งใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพัฒนาตัวเองอยู่ไม่น้อยนะฮะแต่ว่ากิจกรรมในแนวนี้ไม่ค่อยจะมีการกระทํากันแค่หลายแล้วก็ทําไปแล้วก็ไม่ค่อยจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเพราะทางกมโฆษณายุคโฆษณาในสถาขาดการโฆษณามันก็ลําบากเหมือนกันคนไอยเป็นคนที่แปลกนะ แต่มาเคยเคยสังเกตนานหลายปีเมื่อสองเจ็ดเราแห่พระบรมสารีริกธาตุมาจากพระพุทพระบรมรูปถงมานะฮะคนรู้นะโคศกพิธีกรเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นพระบรมสารีริกธาตุพระราชท า, านแด่รับพระราชท า, านแด่พระบาทสมเด็จะเจ้าอยู่หัวพูดอย่างนั้นคนดูนเฉยทืออย่างนี้นะไอ้โคศกบอกว่าให้ยดีพี่น้องว่ายดีพระบรมสารีริกธาตุว่ายกันสลอดนะ ต้องบอกให้ไหว้ด้วยเออมันแปลกไงทําไมต้องบอกเลยเออมันก็รู้อยู่มันมันน่าจะมีจิตตมเนื้อเออพระร่มสายที่กระทัดนเนี้ยก็ไหว้ทันทีเลยมันต้องไหว้ทันทีเลยอันนี้เพื่อต้องบอกเพื่อต้องบอกให้ไหว้แล้วแกก็ไหว่นะฮะผมบอกให้ไหว้ก็ไหว้กันสลอดหมดแต่ต้องบอกมันตลอดทางเหมือนกันบอมันตลอดทางคือไหว้เฉพาะคนที่ได้ยินนะฮะได้ยินคําบอกให้ไหว่ถึงไหว้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องแต่ค่อนข้างแปลกถึงแม้แต่เรื่องง่ายๆเนี่ยแต่ว่าจะต้องมีการบอกมีการเตือนมีการให้สติจึงจะมีการกระทำกันเพราะันพอพอถึงจุดนี้จึงเห็นว่าค่อน ข, ข้างยากในการที่มองดู ป, ปัญหาความบกพร่องภายในใจแล้วก็จะพยายามลดละลงไปด้วยตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างยาก ถึงจะเป็นจะต้องมีการบอกกล่าวชี้ดำอธิบายชี้แจงจากปุพ์ทั้งหลายอยู่พอสมควรประการต่อไปเรื่องคุณธรรมความดีที่จะต้องสร้างขึ้นสงงาชิคำเหมือนเดิมนะฮะให้ปลุกฝังความพอใจใช้ควา ม, พ, วามพยายามกระทำความเพียรต่อเนื่องกันไปทำความดีได้ระดับใดก็ได้รักษาจิตคุณภาพจิตไว้ในจุดนั้น อันเช่นสมมติว่าเคยรักษาศีลห้าได้สองวันเน่ยอย่างน้อยที่สุดรักษาได้สองวันรักษาศีลแปดไปแล้ววันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็รักษาให้ได้จริงไม่รู้ว่ามันจะหิวอะไรไปบ้างไอ้ช่างมาเนะ่ยน้ำส้มน้ําำซึมก็ทานไปก่อนนะกันแต่ว่าถ้ายัางไม่ได้อารุณวันใหม่แล้ว ก, ก็ไม่ยอมรับประทานอาหารนี่มันก็เป็นการฝึกรักษาทำเราทําไปเรื่อยเรเพิ่ม เพิ่มความแข็งแกร่งไปดีๆเลยสกุก็ทำได้นะมาว่าอย่างาชีวิตชาวบ้านเราถ้ารักษาศีลบสดกันได้ในวันพระสักยี่สิบล้านนะนะสอกยี่สิบห้าล้านนะนะคนนี้กนประ5 8ณห้าสิบแปดห้าก้าล้านเราลดสักยี่สิบห้าล้านคนยี่สิบห้าล้านมือนะฮะเดือนหนึ่งต่ไหร่้อยล้านมือ มันมหาศาลเลยนะฮะประหยัดไายได้มหาศาลเลยสุขภาพกายก็ดีนะฮะสุขภาพกายก็ดีร่าง ก, กายก็แข็งแรงการจะเบาขึ้นจริง ก, ก็ช่วยอะไรยะเยอะไอ้เวลานี้ก็มองมองปัญหากันก่อนคุยกับท่านรัมสีช่วยสาธารณสุขก็ประลบเรื่องปัญหาโรคเอดสกับปัญหาเรื่องทำแท้งกันบอกนี้ทํำยังไงเดามันมันพูดได้คนรักษาศีลกันมั้งสิ ถ้ามย่ยอมรักษาศีลไม่แก้ไม่ได้หรอกแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ป้องกันมันก็มีอันตรายสารพัดเพราะั้รักษาศีลข้อที่สามกันบ้างไงนะเอาสักสองข้อก่อนนาะข้อสามข้อห้าแก้ปัญหาสังคมยุคยุคไฮเทคเนี่ยรักษาศีลข้อที่ห้ากับข้อที่สามไม่ได้เราจะลดอะไรลงมหาศาลเลยนะ รักษาตัวนี้ได้ปัญหาต่างๆจะลดลงไปอีกเยเลยถ้าสงวนทรัพยากรอของชาติไว้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันในได้อีกบ้างนี่จ่ายเงินมากแต่ทาลายคนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งเสพติดเนี่ยจ่ายเงินมากเน่ยแต่วันแล้วแต่ทาลายคนด้ว ย, ย, เ, ย, วยเราก็มีแต่สูญเสียกับสูญเสียเพราะแนวแนวตรงตรงนี้มันก็อยู่ในเรื่องสมรภาาัทรกัน อาการก็สร้างความดีขึ้นไปแต่รักษาความดีไปจนหนึ่งมันเป็นภูมิใจเป็นภูมิธรรม ท, ที่หมายความมาถ้าระดับเนี้ยอมก็ทนได้นะแล้วประการต่อไปก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยรักษาไว้แต่พัฒนาต่อไปอย่าคิดว่าสมบูรณ์มันไม่มีใครสมบูรณ์หรือคนสมบูรณ์มีเฉพาะพระอรหันต์นั้นเองที่เศรษกิจนอกจากนั้นไม่มีใครสมบูรณ์ในโลกนี้ มีเรื่องที่จะต้องละมีเรื่องจะต้องบําเพ็ญอย่างต่อเนื่องกันไปคนเสรษจกิจจึงมีเฉพาะภระหันที่เศรษฐกิจส่วนตัวท่านนะฮะไม่เฉพะเสรษจกิจเพื่อโลกแต่ยังต้องทําประโยชน์เพื่อโลกอีกบ้างเพราะฉะั้นดูตรงสัมปปทานความเพียรนนะักรงสอนดูที่สัมปปทานแล้วก็ดูกําลังในการขาจัดความเกลียดคร้านแม้ความตั้งใจยังเกลียดคร้านวิริยะไม่มีกําลังพอใช้งานไม่ได้นะฮะ วิระ่ยวิทยาอังใช้งานไม่ได้ประการต่อไปสติก็ทรงสอนในแนวว่าเห็นสติที่ไหนดูสติได้ที่ไหนสติคือความระลึกได้โดยตัวกำลังที่ขจัดตรงกันข้ามครั้งแรกเนี่ยทานเรียกว่าสติสมโอดาคือความลงลืมเลอะเลือนเผลอเรอพลัง้งพลาดเมือลอยอะไรก็แล้วแต่มันจะแรงอ่อนก็ได้ต่อขจัดตรงนี้ได้ ทีนี้เราจะเห็นว่าเรามีสติจริงหรือเปล่าเราก็ดูที่สติปัฏฐานที่เป็นอารมณ์กรรมฐานทั้งผูก้กรรมานานะนะจริงผูก้กรรมานานนะอารมณ์กรรมฐานยังไม่จบสักทีสติปัฏฐานอีเดียังลืมลืมนับไปรู้สึกก็สิบว่าสิบปีพูดยังไงมันยังไม่จบเลยป่ะเนี้ยประสูติเดียวนะฮะยังยังอยู่ที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอายตนปะปภะอยู่เลย อยู่เยอะข้างหลังธรรมารเขาเชื่อมโยงเขาอย่างเงี้ยจะจับไว้หลักหนึ่งทั้งในภาคปฏิบัติภาคปริยะ น, น, นะนะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างนี้เพราะันตรงตรงนี้ถ้าในดูที่สติปัฏฐานดูยังไงไหมายความว่าเรามีสติมีความเพียรมีสัมปชัญญะรู้เห็นตามความเป็นจริงตามองธรรมที่ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐาน ไมายความยังไงหมาความในส่วนของร่างกายเนี่ยเราสงบอยู่ที่ส่วนใดก็ร่างกายก็แล้วแต่นะฮะลงหายใจเข้าออกอิเดียบทยนืนเดินนั่งนอนอิเยบ ท, ทุกอิียบทแล้วก็อาการสามสิบสองผงวนเรือผ่านหนังเป็นต้นแล้วก็ภาด4สี่ตลอดถึงดูรากุขแล้วมันเกิดผ่อนคลายอะไรคือเราต้องดูตัวผ่อนคลายให้เอง ก่ ค, คลายก็คือราคะกับโพสะเพราะอะไรเพราะบางคนมันก็ไม่มีอะไรมันสักแต่ว่าท่านวิกลโกรธเอาทำอะไรโกรธอะไรเพราะงั้ถ้าท่าคนขาดสติเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างข้างบอว่าคนบางคนเดินสะดุดสะดุดก้อนอิดก็โกรธก้อนอีกเตะก้อนอิดเลยสะดุดแก้วน้ําก็โกรธแก้วน้ํา แล้วันงทีก็ไปโกรธคนนะตัวตัวเองสะดุดี่ไปโกรธคนอื่นนะเนี่ยคือแสดงว่าจิตใจมันขาดสติขาดเหตุผลไอ้ก้อนอิดมันก็ธาตุนะไม่โกรธอะไรมันน่ะอมันก็วางกั็วันอย่างนั้นเองเราเดินไปสะดุดเขาเองการโกรธสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแสดงถึงคุณภาพจิตที่ผิดปกติเพราะปรตัปกติมนุษย์เขาไม่โกรธสิ่งไม่มีชีวิต แลวแม้แต่สิ่งมีชีวิตสิ่งที่ร้ายเดียงสาเด็กร้ายเดียงสาเนี่ยต้องไม่โกรธแล้วก็เลยเรื่อยไปจนถึงก็ไม่โกรธอะไร ท, ที่ว่าเนี่ยฮะไม่ถือคนบ้าไม่ว่าคนเมาไม่เอาเรื่องคนป่วยอะไรแต่หหมายความว่าเรามีสติระ ล, ลึกรู้ในแต่ละระดับเนี่ยแต่ว่าตัวลดเราต้องเห็นตัวรถที่้องใช้กำว่าอภิชาโทมนัตคือต้องต้องเห็นตัวนี้ลดนะฮะ วลาคา่าความกำหนัดความพอใจยินดีในกายตนและกายคนอื่นมันลดลงหรือเปล่าเพราะลดจริงคือการยกจิตยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์หล่อนั้นหมายความมันมีอารมณ์แต่ก็อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลนักลักษณะโครงสร้างของพระอระหรนะันต์นะหมายความว่าท่านก็เห็นนะอารมณ์รูปสวยเสียงไปรอะกลิ่นหอมร อ, รอยๆเยอะะไป นะแต่ว่าใจมันก็สักแต่ว่าเห็นไม่ได้เกี่ยวเกาะไม่กำหนัดเพลิดเพลินยินดีในรูปกรอบนั้นอันนั้นก็เด็ดขาดนะฮะแต่ว่าทํายังไงว่าเราเนี่ยสามารถจะลดความกำหนัดกัดเคืองได้ให้เราสังเกตว่าสติปัฏฐานทั้งหมดทรงใช้ับต้องคำกิเลสใช้คำต้องคำอภิชาโทมนัทอภิชาตโอมนัทอภิชาตโอมนัทในโลกลงไปได้ในความว่า สติเราลึกดูที่กายในแง่ใดก็ตามนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมันจะเห็นว่ากายก็สับไปว่ากายเองไม่ใช่าาสัตว์ผู้คนโดนต้นเราเขาอะไรไเอาเรื่องอะไรมาหนักนะยุ่งยากมากหมัเสียเวลามากดังนั้นเราจะทําอะไรโดยความไม่ไปยึดมั่นถรือมั่นในอะไรมันเกินไปนะฮะหน้าที่เราทําทำํำแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างที่เราว่าเมื่อการสั่งสอนการอะไรเนี่ย อย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าแนวพุทธศาสนานะมันก็เมือกัฝนตกอ่ะก็ตกก็ตกอ่ะถึงข่าวตกก็ตกแต่คนจะได้รับน้าหรือไม่รับจะรับประโยชน์หรือไม่รับยมอยู่ที่คนคือหน้าที่ของฝนก็เสร็จแล้วตกแล้วคนจะเอาประโยชน์จากฝนตกหรือไม่ก็แล้วแต่แล้วแต่เขาธรรมะท่านหนึ่งใช้คำว่าแสดงนะฮะถึงใช้คำว่าแสดงแต่เวลาสั่งสอนเนี่ยมันมันพูดในกลุ่มเล็ก กลุ่มเล็กคือกลุ่มพระเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะสั่งสอนแล้วก็ดุด้วยคือกลุ่มกลุ่มชาวบ้านพระเจ้าไม่ดุนะะชาวบ้านนี่ไม่ดุเลยแต่ถ้าพระไม่ได้พระนี่ดุเลย <_ Server> พวก <_ Pokemon> พวกพวกเนี้ยภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีแต่คนที่ถูกดุมากที่สุดภิกษุภิกษุณีไม่ดุภิกษุณีสามเณรีเนี่ไม่ดุอย่างนี้ก็สั่งสั่งไปบอกไปเตือนให้สติชาวบ้านนี่ไม่ดุ แต่ว่าพระนี่ดุอ่านี้ดุเพราะนั้นคือคือคือพวกที่แบบมอบคล้ายๆกับเป็นบุคคลที่เอามาเป็นหลักในการทดสอบธรรมะเพื่อสะท้อนธรรมะออกไปเป็นรูปกระรมให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยสามารถที่จะขัดเกลาคนได้จริงๆเพราะงั้นเอาจริงเราจะพบในวิ น, นัยที่ที่ถูกหลุก็คือพระเนนก็ไม่เคยดุเนีน่ยมันไม่เคยดุมรนเด็กคงคงเป็นเด็กกันนะฮะนี่นคงคงเป็นเด็ก ก็นั้นแสดงให้เห็นได้ว่าในการปฏิบัติก็มุ่งสร้างกิจสำนึกให้บอกชี้ทางให้ควจจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็อยู่ที่ที่บุคคลเล่านั้นจงเราก็พร้อมจะมองในแง่ของกระแส ก, กรรมเขาไม่ทำเลยสั่งสอนแล้วบอกแล้วบอกกล่าวแล้วเขาบ อย่างไปก็เป็นกรรมของเขาปล่อยตามกรรมไปต่อไปก็คือเรื่องเรื่องเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็ดูเวทนาตามที่มันปรากฏแล้วไม่เอาจริงกับจังกับมันเกินไปเหมือนกันเพราะว่าเวทนาที่จริงมั น, ม, นมันไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยๆมันก็มีอยู่สามอย่างเนี่ยมีเอาอะไรกันัปตั้งแต่เราเกิดมามันก็เป็นอย่างมันอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ หนักนิดเบาหน่อยก็ชร้างมันนะ่ะมันก็อยู่ที่ที่การฝึกกั น, นะฮะหรือการฝึ ก, กจิตใจอย่างที่เล่าว่าตอนนี้ไปอบรมพวกประสางการติการใามตัดสันดาลเยอะที่จริงเราด้วยนะฮะที่พูดรวดเดียวเสี่ชั่วโมงเลยนั่งเฉยๆไปไหนไม่ได้เขามีพักสองชั่วโมงเราไม่พักให้ไม่พักให้บอกผมาอายุหกสิบเล้วดพุ่นอ่อนกว่าผมเยอะผมนั่งพูดกูนั่งเฉยๆนี่นั่งไม่ได้ก่อนจะทําอะไรคินนะ ก็จิงก็ฝึกบอกว่าต้องการฝึกขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานให้ฝึกดูซิทําได้ไหมทำได้ไห ม, ไไหมตนนั้งนั่งเงี้ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งไอ้ น, นี่สามชั่วโมงสามชั่วโมงครึง่งไงต่อมาจะต่อก็เป็นการหัดฝึกกันทดลองดูทําได้ว่ า, าศาสดาเราทํางานหามลูกหามขํามเนี่ยมันทําได้เราลุกสิทธิ์เนี่ยเก็บเกี่ยวผลจากวาสดามาขนาดไหน พุทธเจ้าเราต้องเสด็จไปทั้งนั้นเลยเรานั่งรถนั่งเครื่องบินเลยเทศนะ่ะนะก็บารมีหลงพุทธเจ้าเท้านั้น น, ะนั่งเครื่องบินไปเทส์นะฮนะพุทธเจ้ามีเครื่องบินที่ไหนเรารถก็ไม่มีะเรามีบุญบารมีอาศัยบุญบารมีพุทธเจ้านั่งรถไปเทศ์ขึ้นรถไฟไปเครื่องบินไปได้เพราะฉะนั้นมก็น่าจะมีความอดกลั้นอดทนให้ได้ในเรื่องที่ต้องฝึกเวทนามันเกิดขึ้นมาในแง่สร้า ง, งมันนะ่ะ ปวดมันก็หายเองไปเนะ่ะคือเราอย่าไปเอาจริงมันมันก็ไม่มีอะไรนะฮะตานลอนสังเกตว่าเวลาเราพูดนะการเรานั่งเองคนที่พูดไม่รู้สึกปวดมยเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้สนใจที่เวทนาไม่ใช่ไม่ปวดนะแต่ว่าใจต้องคิดถึงธรรมะที่พูดถ้าไปยุ่งกับเวทนาไปเดียวก็พูดผิดพู ด, พดถูกไม่ไดส น, สนใจบางก็นั่งไม่ได้เลย ไอ้ถาม่าปวดมันก็ปวดทำไมไม่ปวดก็เราไม่สนใจมันเฉยเฉยเพราะว่าใจไปอยู่กับอีกเรื่องหนึ่งนะใจไปอยู่กับอีกเรื่องหนึ่งคือคือธรรมะที่จะพูดพอ ถ, ถึงจิตก็ดูจิตให้เห็นพอจิตมั น, ม, น, ม, นมันเราจะเห็นว่าจิตมันก็แบบเวทนานะสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตมันก็มีสามอย่างกุศลอกุศลกลางกลาง ธรรมะมันก็มีสาอย่างกุศลอกุศลอัพยากฤตเพราะว่าสังขารก็คือธรรมะแต่มันเกิดขึ้นปรุงจิตมันไม่มันไม่มีที่สี่มันมีสามเท่านั้นเองดีไม่ดีกลางกลาเท่านั้นเองคือกุศลอกุศลอัพยากฤิตเท่านั้นจิตมันจะเป็นก็มันอย่างนั้นตลอดทีนี้อกุศลขึ้นปรุงเนี่ยมันร้อนกุศลปรุงเนี่ยมันเย็นนะอัพยากฤต น, น, น, น, น, น, นั้นมันก็ไม่เคมีอะไรลําพ้ำผสมเพื่อนได้เพราะฉนั้นทำยังไงประคองจิตให้อยู่ที่กุศล เพื่อไม่ต้องร้อนเพราะถ้าจิตตัวนี้ร้อนเวทนามันก็ทุกขกับเวทนาเห็นไหมร่างกายก็เล่าร้อนมันก็กระเทือนไปหมดทั้งระบบเลยแต่ถ้าเราแก้ที่จิตตรงนี้นะแก้ว่าเวลากิเลสมันเกิดก็รู้มันตามเป็นจริงแล้วก็พยายามป้องกันธรรมะก็ศึกษาในแนวนั้นธรรมะที่จริงท่านจะเห็นว่าคือศึกษาในแนวกุศลอกุศลกลางๆในแนวกลางกลางก็กําหนดรู้ในแง่ของสภาวธรรม อกุศลก็ให้ตั้งสติระลึกรู้ในแนวที่เป็นโทษตั้งก่อนเกิดขณะเกิดแล้วก็เป็นคุณก็ตอบนันพุทธมันมันสงบไปกุศลนั้นเป็นคุณนะพอเกิดก็เริ่มเป็นคุณแต่ตัวก็มันก็เป็นคุณเกิดก็เป็นคุณดํารงอยู่เป็นคุณดารงอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งเป็นคุณมากเท่านะั้นเพราะนั้นก็คือการพยายามที่จะรักษาแล้วก็แนวทอนนั้นเองอะ่ะ ก็สงสอนให้ดูตรงนี้ว่าจิตไม่เผลอหรือไม่หลงหรือไม่เลอะเทอะหมายความบารละลึกรู้เท่าทันตามสิ่งที่ปรากฏแก่จิตในในแต่ละขณะเดี๋ยวถามว่าเห็นเห็นสติภาละที่ไหนไม่ใช่เห็นสมาธิภาละที่ไหนสมาธิภาะลกกำลังคือสมาธินั้น โดยพื้นฐานเขาเนี่ยต้องขจัดเขาเรียกว่าขจัดจิตตะวิเขปะคือจิตที่มันฟุง้งบางทีจนเรียกว่าเจตสัววุปสมาคือจิตเราไม่สงบ ก, ก, ก็คือฟุ้งเล่นะจิตเราไม่สงบจิตไม่นิ่งจิตมันด้นจิตมันสายไปในที่ต่างๆถ้าถามว่าเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิไหมมันก็ไม่เป็นแล้วจะเห็นมันตรงไหนเห็นที่เป็นจิตสงบ ต่เห็นจริงๆจะเห็นจริงๆท่านออที่ทรงแสดงในที่นี้ทรงแสดงเรื่องชาณะชานสีต่เห็นสมาธิอ่อนไปก่อนชาดสีมนันเรื่องใหญ่ะนะครับว่าจะเอามันอยู่ก็ลาบากเหมือนกันก็เห็นสมาธิคือจิตที่มีความสงบทีนี้ไอความสงบของจิตเนี่ยมั น, มนจะอิงกันว่าคือความเห็นเราต้องเป็นความเห็นชอบแล้วปัญหาเรื่องสีเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องสี อย่างชาวบ้านเนี่ยจะจะจ ะ, จะนั่งสมาธิก็สมาทานศีลซะก่อนเพราะฉ น, นช่วงสมาทานไอช่วงนั่งสมาธิเป็นช่วงสั้นยังไงก็ศีลอย่างดีอยู่อพระก็แสดงอวบแต่ก่อนที่สมณะตนให้บริสุทธิ์จากโทษเครื่องสมองใจซะก่อนเพื่อใจมันจะไม่แว่งเพราะถ้าผัด ถ, ถ้าเรามีปัญหานะฮะถ้าไหนลองสังเกตคล้ายๆเรานั่งสมาธิเราปวดหัวปวดท้องนี่ไม่ไปเลยนะ มันไม่อยู่ที่จิตมันอยู่ที่หัวก็ที่ท้องนั่นแหละจะไม่ยอมขยับไปอยู่ที่จิตคือไม่ยอมนิ่งเพราะฉะนั้นปัญหาต้องต้องต้องต้องไม่มีไม่มีเรื่องที่จะดึงจิตออกเพราจิตสามารถรวมอยู่กับกับเรื่องที่เรากาหนดรึกได้ต่การจะเห็นประจักรชัดนั้นก็คือเห็นที่ที่องค์ฌานนะฮะฌานก็ ความมจิตมีวิตทวุที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลมีปีติความเอื้อปีมใจมีสุขกายสุขใจแล้วก็มีปิตใจที่ตัางมันแล้วก็ประนีขึ้นไปเรื่อยๆจนวิตกวิจาร์สงบมีปีติสุขกับสมาธิที่เด่นชัดเด่นชัดคือหมายความว่าปกติแล้วคนไม่ไ ม, ไม่ไม่ว่าจะร่ารวยดีพิเศษยังไงก็ตามนะ อย่างนี้คนจะไม่ประสาสามารถประสบความสุขระดับนี้ได้ถ้าไม่ถึงเจริญฌานมาถึงขั้นนี้นั่นเรียกว่าเป็นความสุขที่ที่ซาบซึ้งสานวนมาลีทานจะกล่าหวานใจยิงนักวิญญาแปลยังไงวิญญาแปลยังไงนะฮะคือมันมันมันซาบซึ้งมากเออบิมปีติสุขแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะฮะ ก็ไม่ใช่เอามาสเต็ก ม, มาแรกก็ไม่ยอ ม, มนะมันมันไม่ใช่สเต็กหรอกก็เรื่องอื่นนะหมายความว่าพวกวัตถุทั้งหลายนี่เอามาเทียบเทียบเคียงกับความสุกระดับนี้ไม่ได้แล้วก็ปรับมาเรื่อยจนแม่ปีติสุขสงบไปยังเหลือแต่สมาธิกับปัญญาอุเบกขาจิตนิ่งจิตสงบแต่ไม่ไม่ใช่นิ่งเฉยๆแนละ้วนิ่งยังมีปัญญาลักษณะอุเบกขา อุเบกขาท่านานั่นท่านทั้งหลายเห็นว่ามันเหมือนกับเราเลี้ยง เ, เด็กกันเด็กกำลังเดินได้นะฮะเดินได้วิ่งได้ตาเราก็ตามมาเรื่อยตาไ ม, มา่ได้ก็ดูตามไปมัน่นใจถือวิ่งได้แต่ว่าตาตามอยู่นะะแล้วถ้าเด็กล้มเนะี่ยเราก็พร้อมที่จะวิ่งเข้าไปประคองไม่ต้องเกิดกรุณามาใช่อุเบกขามารื้อทือ่อยู่เด็กตกบันไดาหายไปแล้วอันไม่ใช่อย่างนั้นตาจะต้องดูตามไปเรื่ยลักษณะของอุเบกขาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นิ่งๆ น, น, นะฮะ จืนิ่งไม่รู้สาอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นปัญญาเป็นอาการของปัญญาเพ่งดูอเบกขาเป็ว่าเพ่งดูดูนิ่งนิ่งแต่ว่าเด็กมันวิ่งเด็กวิ่งก็าตามก็สายตามไปแล้วก็จิตมันก็เปลี่ยนไม่ได้เรื่อยๆพอพอเด็กเดินได้แน่นอนเราเกิดมุทิตาพอเด็กจะหกล้มเราเกิดกัลลิาไมมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ที่เบกขาตลอดอุเบกขานั้น เป็นอาการของปัญญาอย่างที่เคยบอกว่ามันมีตั้งสิบลักษณะก็ตั้งใจไวนานะจะบรรยายอ่เบขาสักวันนะ่ะมันกลัวว่าหนึ่งชั่วโมงจะจะไม่ทันเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะธรรมะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราเวลาพูดอย่างที่เอารงพระวิปัสสนาจารย์นะฮะพระระดับวิปัสสนาจารย์เราพูดแปดชั่วโมงนะฮะพูดธรรมะเนี่ยอิน 4, 5, รีห้าพละห้า อะไรมากไปวงแปดก็ที่จริงยังไม่ค่อยพิสดารอะไรแต่ว่าเวลามันแค่นั้นเองคือคือเวลาเวลาอธิบายเนี่ยเราจะเห็นธรรมะที่มันมันเชื่อมโยงต่อกันไปเป็นแถวว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดในขณะที่สิ่งหนึ่งเกิดไอ้สิ่งหนึ่งมันดับดับดั บ, ด, บ, ด, บ, ด, บดับตาลงไป้วยเช่นว่าศรัทธาเกิดความไม่เชื่อดับะความเพียนเกิดความเกียด้านดับสติเกิดความหลงลืม เลือเล่อนดับ อ, อสมาธิเกิดความฟุง้งซ่านดับปัญญาเกิดความความหลงดับอันนี้เกิดเกิดเกิดเกิดแล้วก็ดับดับดับดับก็คล้ายๆกับอะไรความเย็นมันมันแผ่ไปความรอม้อนก็ถูกกระจัดไปกระจัดไปกระจัดไปเรื่อยๆจนถึงก็หมดปัญญาปัญญาภละนั้นเกิดขึ้นปัญญามีลักษณะ ส, สองระดับ ที่ใช้ระดับนี้นะฮะหมายความปัญญาที่มองถึงการเกิดดับของริงทั้งหลายเจ้นี่ชราตะมุมหิเน่ถ้าเห็นจริงๆก็คือปัญญาพระละนั่นก็จัดไรคจัดการไม่รู้เห็นทำความจริงออกไปเป็นข้าศึกต่ออวิชาจนถึงกับปัญญาที่เรียกว่าชําแรกแยกแยะได้คือสิ่งทั้งหลายมันมันปรากฏรวมกันกับปรากฏแยกกัน หมาความมันปรากฏรวมกันเราก็มองในแง่แยกได้เช่นว่าคนเนี่ยปรากฏเป็นคนที่จริงมันก็รวมกันแล้วคนนั้นก็แตกอะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเปนการแตกกลับไปเป็นธรรมดาอจิตที่เข้าสงบระงับโดยมสัดสังขารทั้งหลายเราได้ก็เป็นความสุขเพราะเรามองทั้งสองด้านคือเขารวมกันหรือเขาแยกแล้วเป็นชิ้นเป็นส่วนเนี่ยเราก็มองในเห็นในแง่ของการแบกแยกแล้ว ถ้ามันเป็นเหตุปัจจัยของการทำกันมันก็ก่อตัวกันมาได้อีกรวมอีกแล้วก็แยกอีกก็เรียกว่าที่ทรงใช้ในะใช้คำสองคาอุณยถากามินีปัญญากับนิเบติกปัญญาจนอย่างน้อยนี่เราเรียกว่าเนปักกะคือมีปัญญารักษาตัวเองได้สามารถวินิจฉัยตัดสินทุกเรื่องเรื่องเราจะเชื่อเรื่องจะใช้ความเพียนเรื่องจะระลึกเรื่องที่จะใจตั้งมัน่นหรือไม่ตั้งมัน่นก็ใช้ปัญญาพิจนารณาได้ ตัดสินได้นะะทีนี้ในภาคของการปฏิบัติธรรมะอย่างที่บอกว่าเขาไปเขาหมดนะนะช่วเดียวก็ไปเ้าหมดละแต่ว่าตัวใดเป็นตัวหลักในกรณีนี้ตัวใดเป็นตัวประสานคล้ายๆอาการใช้ประสาทสัมผัสของเราการเดินของเราไม่ใช่เดินเฉพาะขาสองขาอย่างอื่นต้องช่วยมือต้องช่วยสติต้องช่วยตาต้องช่วยหูต้องช่วยแต่ว่า เท้าเป็นหลักนะน่ะเด็กในกรณีเนี้ยในกรณีเดินเนี้ยมันเท้าเป็นหลักในกรณีดูส่วนอื่นก็ช่วยมือเท้าก็ช่วยหูก็ช่วยแต่ตรงนี้ตามันเป็นหลักตาเป็นหลักเพราะงั้นตรงนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์เห็นไหมอินทรีย์ธรรมะห้าข้อ น, นี้ท่านก็เรียกว่าอินทรีย์เหมือนกันแปลว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองเมื่อเราทําหน้าที่ตรงไหนตรงนี้เชื่อคนอื่นจะเป็นเป็นตัวหนุน หมาความว่าปัญญาจะต้องพิจารณาพอควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไระสติก็ต้องทํำที่เราเลิกจิตใจก็ต้องมั่นคงไม่เชื่อแกว้งเพื่อคุมจิตไม่ให้แกว่งแล้วก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความพยายามทั้งรักษาศรัทธาแล้วก็มีปัรดาพิจารณาตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นเป็นตัวช่วยตรงนี้ใช้ความเพียรเป็นหลัก ตัวความตัวความเชื่อตัวสติตัวสมาธิปัญญาก็ตัวเป็นโดนหนุนพุทธเจ้าจึงอุปมาว่าเหมือนกั บ, บุตรเศรษฐีสี่คนกับราชกุมารเนี่ยเป็นสหายกันไปนไหนก็ไปด้วยกันแต่ว่าไปถึงบ้านของใครเนี่ยคนอื่นก็นั่งเฉยๆเพื่อนเจ้าของบ้านอะจะดูแลเพื่อนอีสี่คนแล้วพอไปบ้านอีบ้านหนึ่งก็บ้านใครล่ะ เจ้าของบ้านก็ทําหน้าที่เพื่อ น, นี่สคนก็ช่วยแต่พอเข้าวังเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของราชกุมารของพระราชาคือปัญญานะฮะปัญญานั้นเหมือนราชกุมารธรรมะอีสีข้อเหมือนกับบุตรเศรษฐีที่เป็นสหายกับพระราชาทีนี้เวลาทํางานนี่ฮะเวลาทํางานหมายความมาทํางานที่บ้านใครอเจ้าของบ้านเขาเขาทำไอ้เพื่อนอีสี่คนก็ช่วย เป็นนายศรัทธาทำไอ้ในายวิรยิยะสติสมาธิปัญญาก็เกิดพอ ม, มาถึงวางทุกคนก็ต้องช่วยราษฎกลุ่ ม, มานแต่ว่าทํางานด้วยกันเพียงแต่ว่าใครเป็นหลักในตรงนั้นในขณะนั้นศรัทธามีการน้อมความน้อมใจเชื่อเนี่เป็นหลักวิริยะคือการใช้ความพยายามทางกายทางกิตเนี่เป็นหลักสติคือการย้อนระลึกการระลึกแล้วการหวนระลึก หมายความเ็ราลึกได้สามช่วงเรื่องอดีตระลึกได้ขณะนั้นๆขณะนั้น น, นั้ น, น, นคือการประคองจิตและสนณะประคองสติที่ทรงอุปรามาเหมือนประคองบาตรเต็มเต็มในน้ำมันน้ำมันลื่นด้วยนะบาตเต็มด้วยนะแล้วประคองได้โดยน้ำมันไม่หกเห็นไหมเราจะเห็นได้ชัดว่าต้องมีความเพียรต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาต้องมีความเชื่อมัน่น แต่งานตัวนี้เป็นงานของสติสติตัวประคองน้ำมันไม้หกแต่ว่าความเพียรเนี่ยตัวถือบาตรถืออย่างไรถืออย่างยังมีสติถืออย่างเชื่อพั่นถืออย่างมีปัญญาถืออย่างมีมีสมาธิเราลงว่าทั้งหมดเนี่เราเห็นว่าถือบาตรปั๊บมันก็ธรรมะหมดละหักค อ, อแต่ว่าอะไรเป็นหลักการเราบัดระวังน้ำมันแม้กระชอกเนะี่ยคือตัวสติ แต่นี่การถือจริงๆมันเป็นความเพียรเป็นความพยายามนะทีนี้ถือให้มั่นมันก็คืออาการของสมาธิถือได้ไม่ได้มันก็ต้องมีศรัทธาคือเชื่อมั่นหรือไม่ถ้าไม่เชื่อมั่นเสียขวัญกำลับบงใจแล้วเข่าอ่อนมันถือไม่ได้เบริวน้ำมันหกหมดเห็นไหมธรรมะมันก็ไปหมดทั้งสีง่ทั้งทั้งทั้งห้าข้อแนวเหล่านี้จึงเป็นเป็นธรรมะก็เรียวกวกระแสหลักถ้าท่านหลายลองสังเกตว่า เราเขาจริงมันก็หมดหมายความว่าไงมก็ อ, อริยมรรคนั่นเองศรัทธาคืออะไรศรทัทธาตั้งใจว่าเป็นสมาธิทางกยรรายา ป, าา ป, าาปัญญาเป็นสมาธิติดสมาธิทางกาะต้องลงว่าอาริยมรรคหมดทั้งแปดข้อศีน่อยู่ตรงไหนศีนมันมันเลยมาแล้วอนี้เป็นการพูดระดับสมาธิระดับปัญญา เป็นการสรุปรวมลงที่อะเดมาตในองค์แปดแต่หมายความว่าควายกุศลและธรรมต้องมีกำลังขจัดจำนวนบารีทัชกับว่าปฏิปักษ์กระทำคือข้าศึกกับตัวเองนะฮะตัวตรงข้ากับตัวเองเนี่ยขจัดได้มันเหมือนความอิ่มเนี่ยฮะขจัดความหิวได้ถ้ายัางถ้าบอกอิ่มแล้วยังหิวเนี่ยมันแสดงไม่อิ่มอะ่ะมันต้องมีอย่างเดียวท่านั้นเองมันมีสองอย่างไม่ได้ ถ้าบอกว่ามีศรัทธาแล้วเนี่ยคุณจะมีความไม่เชื่อโดยไม่ได้แสดงว่าถ้าคุณไม่เชื่อก็คือคุณไม่มีศรัทธามันเหมือนกขาพูดเล่นอ่ะถ้าสุขก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์เอ่อถ้าทุกข์ก็ไม่สุขถ้ามืดก็ไม่สว่างถ้าสว่างก็ไม่มืดเมื่อเขาพูดเล่นอ่ะนะแต่คือเป็นอย่างนั้นถ้าเค็มก็ไม่หวานถ้าหวานก็ไม่เค็มมือเขาพูดเล่นแต่จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นนี่ยนะคล้ายๆภาษาบ้าน แล้วสามารไอ้พูดเป็นเล่นไ ม, ไม่ใช่เป็นเล่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเค็มก็ไม่หวานนะสิเดือดถ้าหวานมันจะบอกว่าเค็มได้ไงเห็นไหมฮะตกลงมาเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องพูดเล่นถ้ามืดก็ต้องไม่สว่างถ้าสว่างก็ต้องไม่มืดสิคุณบอกสว่างแล้วมืดมันมันมันจะสว่างได้ยังไงเพราะฉะนั้นกูศอนเมื่อบอกว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยต้องขจัดอัสัตยิยะได้ใช่ไหม ต้องเข้าใจความไม่เชื่อได้แต่คุณบอกว่าคุณมีศรัทธาแต่คุณไม่เชื่อแล้วมันหมายความว่าอย่างไงเห็นไหมบอกว่าศรัทธาแต่ว่ายังไม่เชื่อแล้วหมายความว่านยังไงมันเข้าใจไม่ได้เป็นภาษาที่สื่อไม่ได้คุณบอกคุณขยันแต่คุณเกลียดคราหมายความว่าอย่างไงก็หมายความต้องไม่มีเกลียดคราสความเพียรเนี่ยต้องไม่มีเกลียดครากมีสติดีนะฮะวางกุญแจไว้ลืมแล้วสติอะไรสติอะไรกุญแจกุญแจลืมหน่อยเห็นไหมต้องไม่ลืมนะ ต้องไม่ลืมมีสิ่งนี้ต้องไม่มีสิ่งนี้นะมีสิ่งนี้ต้องไม่มีสิ่งนี้จะในขณะเดียวกันขบวนการเขาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเห็นไะมครับศรทมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีปัญญามีสมาธิมีสติมีความเพียรมีศรัทธามีก็มีอยู่เข้าด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันพอพวกนี้มีพวกอีกตัวนะครับต้องไม่มีถ้ามีก็หมายความอีกด้านหนึ่งต้องไม่มีคือมันมีด้านเดียวมันมีสองด้าน สองอย่างไม่ได้ต้องมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างที่บอกวันก่อนมีคนก็ซักเรื่องเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องกรรมฐานเรื่องอะไรอะไรมามาไม่ว่าอะไรมาบอกท้ากรรมฐานจริงสมาธิจริงต้องไม่โลดต้องยังไม่ไม่อยากได้ถ้ายังอยากได้อยู่แสดงว่าไม่มีสมาธิก็ดูเองกันแล้วกันคือมันเป็นเกณฑ์ของมันเองนะสมาธิเป็นปฏิบัตษต่อกามฉัน มายความว่าการมฉันกันสมาธิไม่อยู่ร่วมกันจิตขณะใดมีสมาธิขณะนั้นต้องไม่มีกรรมฉันถ้ามีกรรมฉันอยู่หมายความยังไงหมายความไม่มีสมาธิเห็นนะฮะหมายความไม่มีสมาธิเหมือนกันเนี่ยถ้ายัางร้อนอยู่ก็แสดงว่าไม่เย็นอะ่ะถ้าเย็นก็แสดงว่าไม่ร้อนอะ่ะนี่คือคือลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเป็นทวิภาวะมันตรงกันข้ามเป็นภาวะคู่แต่เป็นปฏิปักษ์กันอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งต้องดับ ถาตรงกันข้ามนะฮะแต่ถ้ า, ถ, าถ้าสายเดียวกันอย่างหนึ่งเกิดถากหนึ่งเกิ ด, จ, กกดจะจะเกิดทะยอยกันไปเป็นจะเป็นปัจจัยของกันแหลกันในกรณีที่เป็นปัจจัยของกันแหลกันบางครั้งเราจะเห็นว่าอย่างแนวของปฏิจจสมบัตินะฮะบางชีอะไรอวิชาใช่ไหมอวิชาเนี่ยเป็นกิเลสสังขารเนี่ยเป็นกรรมทีนี้เมื่อเป็นกิเลสแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุความเกิดทั้งหลายความเกิดทั้งหลายมันมาจากกิเลส เ ห, นห็นฮะวิญดาณนามรูปอายตนาภัสเสวนาเนี่ยมันเป็นผลมาจากกิเลสพวกนี้ก็เกิดแต่ว่าถ้าตรงนี้เกิดแล้วนิโรธเกิดด้วยไม่ได้หรอกนิพพานเกิดด้วยไม่ได้หรอกอวิชายังอยู่แล้วบอกว่าเกิดนิพพานแล้วมันไม่นิพพานหรอกถ้านิพพานเกิดอวิชายต้องดับเพราะอะไรเพราะมันตรงกันข้ามแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นปัจจัยคือเป็นเป็นผลของกิเลส กิเลเกิดความทุกข์มาต้องเกิดนั่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่นั้นพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงเน้นไ้เยอะนะเน้นมากธรรมสี่ประการเนี่ยแล้วก็ต่างโดยโบวหารในการอธิบายเป็นกลุ่มธรรมะในพุทธิปยธรรมสามสิบเจ็ดประการถึงือเป็นหลักปฏิบัติตรับพันในพระพุทธศาสนาสมัพวันนี้ก็ ข, อ, ข อ, อยุติไว้ในเวลาวินเทนี้ ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมยังมีแต่ท่านสาวชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเีอ